จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านก่อนอื่นนะก่อนหลงพ่อจะพูดธรรมาให้เราฟังนะมาตกลงกันก่อนเวลาฟังธรรมนะเราต้องใช้สมาธินะทําใจให้สบายทําใจใสงบค่อยๆฟังไปธรรมะเป็นของประณีตถ้าใจเราวอกแวกนะก็ฟังไม่รู้เรื่องแถ้า อย่างพวกโทรศัพท์มือถือนะปิดเสียงหยุดเสียงไวนะ้แล้วระหว่างหลวงพ่อเทศนะงดถ่ายรูปนะหัร้องอย่าถ่ายรูปควรสมาธิซึ่งกันและกันเวลาพวกเราถ่ายรูปบางคนข้างๆเขาก็วอกแวกและพร้อมใจกันวอกแวกนะหลวงพ่อก็วอกแวกไปด้วยถ้าธรรมะภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ธรรมะแบบปริยัต คนเทศก็เตรียมข้อมูลมาว่าวันนี้จะเทศเรื่องนี้วันนี้จะเทศเรื่องนี้อะไรนะ่ั น, นั้นถูกกวัวไงก็ไม่เป็นไรกลางตำราเทศธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเทศกันด้วยใจนะจิตต้องสงบจริงจิจิตต้องตั้งมั่นจริงๆทั้งคนฟังทั้งคนเทศธรรมะมันพอดีกันถ้าธรรมะมันพอดีกันนะจิตกระแสธรรมจะเลื่อนไหลเข้าสู่ใจของเราง่าย ใจเราปิดใจเราวอกแวกต้องพุ้นไวใจมันปิดก็ฟังไม่รู้เรื่องนะั้นต่อไปนี้หยุดนะเรื่องถ่ายรูปพอท <c oughs> มออีมือถือมือเทออะไรนะไม่ต้องงัดมาถ่ายเสียเวลาเอาของจริงเอาของปลอมรูปนี่รูปปลอมทร <c oughs> ามะจริงไม่ยากนะไม่ยากเลยที่เราจะศึกษาที่เราจะปฏิบัติ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะะชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางในที่สุดท่านสอนได้ชัดเจนว่าให้เราทําอะไรทําเพื่ออะไรทําอย่างไรทำแล้วจะมีผลอย่างไรชัดเจนทุกขั้นทุกตอนไม่มีหรอกที่บอกว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็รู้เองพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ลักษณะการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนชี้ให้เห็นหลักธรรมที่แน่นอนไม่ดิน้นไม่ใส่ไตใสามาพอเรารู้หลักของการปฏิบัติแน่นอนแล้วนะท่านก็จะชวนให้ลงมือปฏิบัติท่านไม่ชวนให้เชื่อแต่ท่านชวนให้ลองทำดูถ้าเชื่อง่ายก็ท่านก็ว่างโง่นะถ้าฟังแล้วยังไม่ทันลองปฏิบัติปฏิเสธไว้ก่อนยิ่งโง่หนักาอีก ชีวิตนี้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเรียนได้แต่ของเก่าๆที่เคยเรียนมาแล้วนี่พอท่านสอนหลักของการปฏิบัติอันชัดเจนแล้วนี่มีเหตุมีผลทุกขั้นทุกตอนแล้วเหมาะสมกับการปฏิบัติแล้วท่านก็ชวนให้ปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วมีปัญหาท่านก็คอยตอบปัญหาให้คอยให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติแล้วก็ท่านชักชวน ผู้ปฏิบัตินะให้ร่าเริงในธรรมะในลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีสี่ประการอันแรกเลยอธิบายให้รู้เรื่องที่สองชวนให้ทํำที่สให้กําลังใจที่สชักชวนให้ร่าเริงในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหงอเหงาซึมเศร้าไม่ใช่ธรรมะเนื้อแท้ของธรรมะนะั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งร่าเริง แต่ไม่ได้ร่าเริงแบบชาวโลกเขาร่าเริงกัน้าชาวโลกเขาร่าเริงแบบกะดีกระดาผู้ปฏิบัติมีความร่าเริองอยู่ภายในสดชื่นไม่หงอยเหงาเศาสร้อ ย, ยในสมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเขาก็เดินผ่านกุฏิพระไปหลายหลังเลยกว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะเขาไม่ได้ชมเลยสาวกของพระองค์หงอยดีจังเลยน่านับถือหงอยหอยไม่มีใครก็นับถือหรอกต้อนงะใครจะภาวนาอย่างนั้นภาวนาแล้วหงอยหงยงั้นเราก่อนอื่นที่เราจะมาภาวนากันอย่างมีความสุขนะมีความร่าเริงใจในธรรมะ เรามารู้หลักของการภาวนาที่ถูกต้องซะก่อนถ้าเราไม่รู้หลักเนี่ยการภาวนาของเราจยากลำบากลมลุกลุกครานเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไม่มีใครรู้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความพ้นทุกข์เลยเจ้าชายสิทธัตถะก็พยายามแสวงหาธรรมะล้มลุกลุกครานเหน็ดเหนื่อยลาบากแสนสาหัสเลย ท่านใช้เวลา6ปีในการสแสวงหาธรรมะในที่สุดท่านก็พบธรรมะธรรมะอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมนี้เองท่านเรียนรู้ลงมารากเหง้าของปัญหาทั้งหลายอยู่ที่อวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคอาศัยความไม่รู้อริยสัจจิตจะเกิดตัณหาเกิดความอยาก จิตมีความอยากจิตก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์มาเป็นลําดับลําดับงันธรรมะของท่านเนี่ยมุ่งตัดตรงเข้าไปทําลายอาวิชชาความไม่รู้แจง้งอริยสัจเราอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วทําลายอาวิชชาอวิชชาความไม่รู้วิธีทําลายความไม่รู้มีนิดเดียวเองก็ทําความรู้ให้เกิดขึ้น งั้นถ้าใครก็ถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบได้นะว่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวทำลายล้างอาวิชาความไม่รู้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ความจริงของกายเราไม่รู้ความจริงของจิตใจตัวเองเรารู้แต่เรื่องอื่นรู้แต่สิ่งอื่นวันวันหนึ่งหรือตั้งแต่เกิดมาเราไม่สนใจตัวเองเรารักตัวเองที่สุดแต่เราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเราเองเลย ใจขอเราไปอยู่ข้างนอกตลอดตอนเด็กๆ เ, เกิดใหม่ๆพวกเราอาจจะบางคนก็เคยไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ชอบเอามือไปโบกใส่หน้ามันโบกๆเจ๊เอ๋จ๊เอ๋ใครเคยทับปังยกมือสมอิมีพวกไม่ยกมือส่วนหนึ่งก็เคยทำแต่ว่ายังไม่อยากยกเสียพลังงานที่อุตสาหสะสมมาจ๊เอ๋จ๊เอ๋น่าเรียกให้เด็กออกนอก ให้เด็กมันลืมตัวเองเราถูกสอนให้เราลืมตัวเราเองถูกสอนให้สนใจแต่สิ่งข้างนอกไม่สนใจในร่างกายไม่สนใจในจิตใจของตัวเองงั้นเราไม่มีทางทําลายอวิชชาได้อวิชชาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามนี้แหละก็ถ้าใจของเราไม่เคยสนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองก็สนใจแต่ของข้างนอกโลวปูดูลย์กส่งจิตอกนอกมันจะไปรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เลยนะ เนี่ยพวกเราต้องมาค่อยๆเรียนนะจนเราเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจง้งทําลายอาวิชชาได้แล้วเราจะพบความอัศจรรย์ที่แสนอัศจรรย์เหนือความอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยเมื่อเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะหมดความยึดถือในกายในใจคือมันรู้ความจริงว่าอะไรตายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้ามันเห็นความจริงถึงระดับนี้นะมันจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกละ ความอยากมันอยากอะไรบ้างมันก็อยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจพ้นทุกข์อยากก็มีอยากอยู่แค่นี้แหละจะอยากกี่หมื่นกี่แสนอย่างนะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อย่างอยากดูหนังดูละครก็เพื่อให้ใจมีความสุขอะไรยาเงี้ยอยากไปหาของกินอยากอะไรนะหาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยอยากให้ร่างกายเป็นสุขอย่างเงี้ย อยากนะสารพัดอยากในย่อลงมาก็คือมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพน้นทุกข์เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญาเป็นนะเราจะเห็นความจ ร, งจริงนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขพวกเราในขณะนี้เราย่งเห็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมเราเห็นไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เราอย่งมีอวิชชาอยู่ย่งมีความไม่รู้แจ้งอยู่ ถ้าเราได้เจริญสติเจริญปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเราจะรู้เลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยในยามที่มันทุกข์น้อยนั่นคนทั่วๆไปก็ว่ามันเป็นสุขแต่ผู้รู้เนี่ยเห็นว่ามันคือทุกข์แต่ทุกข์ที่เบาบางหน่อยเวลามันทุกข์แรงขึ้นมาคนทั่วไปก็ว่ามันเป็นทุกข์นีไม่สามารถเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่สามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข เมื่อไม่เห็นอยู่ก็ยังรักอยู่ยังห่วงแหนอยู่ยังมีทางเลือกเมื่อกายยังมีสุขบ้างทุกบ้างเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์ใช่ไหมก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเราก็มีทางเลือกเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เนี่ยมันมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะเกิดการดิ้นรนจิตดิ้นรนเมื่อไรจิตจะทุกข์เมื่อนั้นเลยนี่เราตัณหาเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ แท้จริงกายกับใจรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ถ้าเราปราศจากตัญหาเราไม่ไปหยิบไปฉวยไปยึดถือมันขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์กับมันหรอกขันมันทุกข์นะแต่จิตไม่ทุกข์ด้วยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเคยรู้ไม่มีใครเคยเข้าใจพระพุทธเจ้าได้คนพบศาสตร์อันอัศจรรย์อันนี้ขึ้นมาศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของกายของใจศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของตัวเอง เพื่อจะได้แจ่มแจ้งว่ากายนี้ถูกล้วนๆจิตนี้ถูกล้วนๆถ้าแจ่มแจ้งตัวนี้นะเรียกรู้ถูกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ถูกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อนั้นละสมุทัยละตัณหาระความอยากได้เมื่อไหร่อัตโนมัติเมื่อไหร่นะก็แจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะที่รู้ทุกข์จนกระทั่งลาสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรค การทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเรารู้ทุกข์ล้างสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอรอยิยมรรคในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองไม่สองขณะจิตด้วยนะั้นในพริบตาเดียวนั่นเองที่จะล้างกิเลสถล่มวัตฏะให้ลบลงต่อหน้าต่อ ต, อตาเราไม่มีความทุกข์ที่จะเข้ามาตึงใจได้อีกต่อไปเนี่ยเป็นศาสตร์ซึ่งไม่มีใครรู้ไม่เคยใครเข้าใจนะยากที่คนจะรู้ยากที่คนจะเข้าใจเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านถอดใจเลย ว่าธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งขนาดนี้นะีสอนไปก็เหนื่อยเปล่าคงจะเหนื่อยฟรีคนไม่เข้าใจดีไม่ดีว่าท่านบา้าบาปกรรมหนักเข้าอีกท่านถอดใจไม่อยากสอนเลยนะธรรมะที่ท่านจะสอนก็คืออริยสัตมนี่เองเรื่องทุกข์สมุทัยนี่รอดมากนี่งท่านเห็นไ่มโอ้สัตว์ทั่วไปนะกิเลสหนายากเหลือเกินที่จะเรียนรู้ได้ท่านไม่อยากสอน ในตำราเขาพูดถึงเท้าสหัมบดีพรมนะมาราธนาบอกว่าสัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็ยังมีนะสำนวนบวาลีบอกมีทุลีในดวงตาเบาบางก็ยังมีอยู่ถ้าได้ฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์นะขอความการุณาของพระพุทธเจ้าช่วยแสดงธรรมด้วยเถิดนอะไรองี้ท่านถึงยอมแสดงธรรมพระธรรมที่ท่านแสดงเนี่ยมันฝืนจากคนมีกิเลสมากๆนะ ถ้าใจเราคิดถึงความพ้นทุกข์เราสแสวงหาความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเรามาเรียนเนี่ยนะถูกเป้าถูกประเด็นเป๊ะเลยแต่ถ้าใจเรายังจะหลงละเลง อ, อยู่กับโลกอยากอยู่สุขอยู่สบายอยู่กับโลกเพลิดเพลินไปเรื่อยๆก็ไปหันนั่งสมาธิเอาปนั่งสมาธิเฉยๆมีแต่ความสุขนะอยู่ได้เป็นกับๆเลยไปเป็นพระพรมเขาก็เชิญมานั่งหน้าโร ง, งแรบบ้างอะไรบ้างถึงเวลาให้กินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อน ไม่พ้นหอกไม่พ้ทุกงั้นถ้าเราเราตระหนักนะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเราขณะดนี้หลวงพ่อ ด, ดูแล้วพวกเราขนาดนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบร่างกายจิตใจของเราดีแต่ละคนแต่ละคนนะบุญเก่าเราทำมาดีเราได้กายได้ใจที่ดีเรามีบุญมากกว่านั้นอีกเรามาเกิดในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่นะ เราเหลือแต่ความอดทนนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อยอมรับว่าถ้าคนหัดใหม่ๆคนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ายากเหลือเกินแต่ถ้าอดทนนะมี CD ดีแจกมั้งไปฟังซีดีนะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรฟังเขาไปเถอะครั้งแรกไม่รู้เรื่องนะฟังครั้งที่สองครั้งที่สามฟังไปเไรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตจะตื่นขึ้นมาในฉับพลัน จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาในฉับพลันเลยเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติมากนะพวกเรานึกออกไหมตอนเราเด็กๆทําไมเราพูดภาษามนุษย์เป็นพ่อแม่ก็ชวนเราคุยไปเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องหรอกทีแรกอ่ะนี่พ่อนี่แม่ฟ้าพูดตามไปพี่ป้าหน้าพูดตามเข้าไปไม่รู้ความหมายในจุดที่เราเกิดเข้าใจภาษามนุษย์ขึ้นมาเป็นแป๊บเดียวะนะ ฟังแล้วฟังอีกนะจุดที่มันเกิดปิ้งเข้าใจภาษามนุษย์ขึ้นมาจําได้ไหมอายุกี่เดือนกี่วันจําได้ไหมตัวที่ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องครั้งแรกอะ่ะทำไมรู้เรื่องมันรู้เรื่องขึ้นมาเลยใช่ไหมฟออังแล้วฟังอีกนะธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะไปฟังซีดีหลวงพ่อนะเรียนให้เหมือนเด็กอ่อนเลยฟังไปเรื่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ฟังไปเถอะนะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เอง มีการพิสูจน์มามากมายเยอะแ ย, ยะแล้วนะอย่างบางบ้านบางครอบครัวได้ซีดีหลวงพ่อไปนะก็เปิดในรถก็ขึ้นรถได้ก็เปิดซีดีพ่อแม่ก็ตั้งใจฟังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะลูกเล็กๆติดรถไปด้วยนะมันก็ฟังของมันส่งเด็กไปงั้นนะ่ะถึงวันหนึ่งพ่อแม่ใจร้อนขับรถใจร้อนขึ้นมานะคนปาดหน้าโกรธเด็กมันบอกหน้าตาเฉยพ่อ โรธแล้วรู้ไหมเน่นทำไมมันสอนพ่อมันได้ล้วมันฟังซีดีไปเรื่อยๆมันรู้ว่าความโกรธเป็นยังไงความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะให้รู้ทันใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรให้ไปรู้ทันงั้นไปฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังอยู่นั่งตามโตู้ไม่มีอะไรทำนะไปเอาเพลงใส่หูอย่างเดียวหลงโลกไปเรื่อยๆนะเอาซีดีหลวงพ่อใส่หูบ้างนะฟังไปเรื่อยๆ เดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้นแหละไม่นานหรอกเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีคนมาที่วัดมาส่งกันบ้านฟังซีดีหลวงพ่อไม่ถึงเดือนภาวนาแบบที่แบบมีพระอาคันตุกะมานั่งฟังโยมส่งกันบ้านพระบอกน่า ก, กลัวมากเลยไม่ได้กลัวประโยมนี้เป็นผู้ร้ายนะกลัวว่ามันภาวนาเ ก, ก่งขนาดนั้นเขาเห็นกายกับใจคนละอันกันธาตุขันมันแยกออกจากกัน ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นแยกออกจากกันได้เห็นแต่และอันแต่และอันทำงานไปแต่และอันไม่ใช่ตัวเรานี่นี่เขาภานาทำไมภนานาได้รวดเร็วในเวลาเดือนเดียวทำไมเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนละเขารู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้ะในเวลาอันสั้นในเวลาไม่ถึงเดือนชีวิตเปลี่ยน เคยทุกมากก็ทุกน้อยนะเคยทุกนานก็ทุกสั้นเปลี่ยนดังฉับพลันเลยงั้นพวกเราไปฟังซีดีเอานะหลวงพ่อจะเทศละเอียดลึกซึ้งมากก็คนใหม่ๆมันสักเยอะสัก 40% 3สเนามสิบเปรเซ็นตะ์เทศย า, ยากมากก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วสอนหลักๆพื้นๆให้การปฏิบัติทำนั้นนะสรุปง่ายๆเลยไม่ยากอะไรหรอก มันคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความจริงของกายของใจกายกับใจนี้แหละคือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะมาเรียนให้เห็นความจริงของกายเรียนให้เห็นความจริงของใจถ้าเราเรียนได้ความจริงขั้นต้นเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเรียนได้ความจริงขั้นต้นเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันพวกเราหลายคน นะเข้าวัดมานานนิมนต์พระมาเทศไม่รู้กี่สิบองค์อยากจะเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านล้างความเห็นผิดนะว่ามีตัวมีตนกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลลบโกรดลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้เราก็ต้องเห็นตามท่านนะ ไม่งั้นเราก็ไม่ได้เป็นโซดาบันสักทีเนี่ยได้เจริญปัญญาขั้นต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าจเจริญปัญญาต่อไปนะถึงขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้ามันเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆมั้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมันจะไม่ยึดกายยึดใจอีกต่อไปแล้วก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นเรียกว่าพระอรหันต์ งั้นตั้งแต่โสดาบันยันพระอรหันต์ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทั้งนั้นเลยนะงั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าของแค่นี้เหรอทําให้เราพน้นโชคได้พ้นจริงๆในเวลาอันสั้นด้วยนะต้องลองดูนะขอชวนให้ลองไม่ได้หลอกให้เชื่อนะลองทําดูทํำยังไงเราจะเห็นกายใจตามความเป็นจริงได้อันนี้แหะคือศาสตร์ที่เราจะต้องเรียน ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของกายของใจมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสิ่งนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีาศาสนาอื่นไม่มีวิปัสสนากรรมฐานในมหาวิไยก็ไม่มีนะ ด, ด็อกเตอร์เขาไม่ไมรู้จักหรอกพระพุทธเจ้าได้ค้นพบศาสตร์ของวิปัสสนากรรมฐานนี้ขึ้นมาวิปัสสนากรรมฐานนั้นคืออะไรคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะวิธีการทําอย่างไร หลักง่ายๆเลยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแค่นี้เองมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันแรกก็คือมีสติรู้กายรู้ใจอันที่สองต้องรู้ให้ถูกรู้ให้ตรงความจริงอันที่สาม เราจะรู้ถูกตรงความจริงได้จิตเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นมันจะมีเงื่อนไขมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะสส่วนด้วยกันอันแรกทํายังไงเราจะมีสติรู้กายรู้ใจอันที่สองทำไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจและความจริงของกายของใจนั้นเป็นอย่างไรอันที่สจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นเป็นอย่างไรนะ เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ในความเป็นจริงแล้วต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางถ้าจะเรียงลําดับนะก็ต้องบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางแล้วเราจะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้สตินะัใครๆก็พูดถึงตามข้างถนนนะบางแห่งก็เริ่มมีป้ายมีสตินะขับรถให้มีสตินะ บางทีก็ดื่มสุราทําให้ขาดสตินะแต่ก็โฆษณาสุลานะแล้วก็เขียนข้างล่างดื่มสุราทําให้ขาดสตินะสติสติใครๆก็พูดถึงคําว่าสติแต่ทั้งทั้งที่จริงๆร้วเราไม่ค่อยมีสติหรอกในโลกนี้หาคนที่มีสตินะน้อยเต็มทีเลยนี่หลวงพ่อก้ามาสูตรจุดที่ว่าทํำยังไงจะมีสตินะอันที่สองถ้ามีสติแล้วจะต้องฝึกยังไงให้จิตตั้งมั่นเป็นกลาง ถ้ามีสติแล้วก็มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นความจริงของกายของใจนะเป็นสมสเต็ปด้วยกันขั้นแรกเนี่ยมาฝึกสติสติเป็นตัวรู้ทันนะหลวงพ่อเห็นมีคนพวกเราเนี่ยบางคนใส่เสื้อนั้มีสติมีปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจไรีว่าสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐาน สติทั่วทั่ไปสติขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยเป็นสติธรรมดาสติอยู่กับโลกถอนเงินนับสตังถูกอะไรเนียไม่ขาดสตินะอย่างนั้นเป็นสติธรรมดาสติ่กับโลกสติที่จะทำให้เราได้มากผลนิพพานทั้งนี้สติปัฏฐานสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจของตัวเองกายกับใจของเรานอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่หาคนสนใจมันยากเต็มทีไม่มีใครรู้มันหรอกเราสนใจ ในสิ่งอื่นๆนะมากกว่าตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่เรารักตัวเองมากที่สุดแล้วเราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองฝึกจิตใจให้มันมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเมื่อต้นจะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะหายใจไปแล้วคอยรู้สึกตัวหายใจไปแล้วคอยรู้สึกตัวไว้นะหรือหายใจไปแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปก็ได้หายใจไปดูกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดู ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็ลืมร่างกายร่างกายหายไปไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมพวกเราเวลาคิดเราคิดทั้งวันใช่ไหมเวลาที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายไหมร่างกายเรามีแต่เราลืมมันไปนะนั่นแหละเรียกว่าขาดสติแล้วละ่ะถึงจะไปคิดเรื่องงานทาอะไรถูกต้องมัเป็นสติอย่างโลกโลกแต่มันขาดสติปัจฐานไปแล้วเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจ จิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์ κ, จิตใจเราดีจิตใจเราร้ายเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ลืมมันเราลืมกายเราลืมใจตลอดเวลานะไม่เคยรู้สึกกายรู้สึกใจเลยนั่นก็เราไม่มีสติปัฏฐานเลยต่อไปนี้เราต้องให้ความสนใจกับร่างกายจิตใจของเราบ้างร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกบางคนก็ต้องซ้อมนะทางที่ดีก็ควรจะซ้อมหัดรู้สึกบ้างเช่นหัดพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้ พุทโธพุทโธไปมีความสุขขึ้นมาก็รู้พุทโธพุทโธไปนะจิตใจเครียดขึ้นมาก็รู้หายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจออกก็รู้เห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้ตรงที่คำว่าก็รู้ก็รู้นั่นแหละเรียกว่ามันมีสติเห็นพยักหน้าก็รู้เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเวลาฟังหลวงพ่อเทศบางคนก็พยักหน้าใช่พยักหน้าไปอย่างนั้น่ะลืมตัวเอง ไม่ได้รู้สึกตัวเองแต่ว่ามัวแต่คิดตามจริงไหมจริงนะจริงนะมันลืมกายตัวเองอย่างนี้เรียกขาดสติล้นะงั้นเราเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจของเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกบ่อยๆการที่ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกนี่แหละเป็นวิธีฝึกให้เกิดสติ ต่อไปนะเวลาร่างกายเราเคลื่อนไหวทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัตินั่นเรื่องเรามีสติขึ้นมาละต่อไปเวลาจิตใจของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเราคุยกับลูกค้าลูกค้าจะจ่ายค่าทางด่วนมีต่อด้วยดลดราคาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฟังแล้วหงุดหงิดนะ่ะหงุดหงิดนะสติระลึกปั๊บเลยเห็นใจหงุดหงิดนะียเนี่ยสติมันเกิดละนะมันคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเรา เป็นลูกค้าคนนี้สวยนะชอบใจมันชอบขึ้นมาเนื้อรู้ว่าใจมันชอบนี่เรียกว่ามีสติขึ้นมาคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันคอยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างคอยรู้สึก ต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะพอร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดขึ้นเองมันจะรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวต่อไปโดยที่ไม่ได้เจตนานะพอมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเช่นมีความสุขมีความทุกข์มีความโกรธเกิดขึ้นในใจนะโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้นะสติจะระลึกได้เองว่าตอนนี้โกรธขึ้นมาแล้วตอนนี้โลภขึ้นมาแล้วตอนนี้สุขแล้วตอนนี้ทุกข์แล้วจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะ เนี่ยเราพยายามหมั่นฝึกเข้าทุกวันทุกวันนะเนี่ยเราจะเด็กนี่เรียกว่าฝึกสติสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจฝึกให้มากๆไวนะ้ตัวที่สองที่เราจะมาพัฒนาก็คือสมาธิสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ปกติสมาธิที่คนทั่วไปฝึกนะที่เขาสอนสอนกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วทั้งโลกเนี่ยมันเป็นสมาธิที่จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธจิตไปสงบอยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยบจิตไปสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปสงบอยู่ที่เท้าอะไรนี่นับลูกประคำจิตไปสงบอยู่ที่มืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมันไปสงบอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้า เช่นจิตไปรู้พุทโธก็ไปสงบอยู่กับพุทโธจิตไปรู้ลมหายใจก็ไปสงบอยู่กับลมหายใจจิตไปรู้ท้องผองยุบก็ไปสงบอยู่ที่ท้องอย่างนีน้การที่จิตไปสงบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะสิ่งใดที่ถูกรู้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนั้นว่าอารมณ์สิ่งใดเป็นคนรู้อารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์ดังนั้นมีจิตเมื่อไหร่ก็มีอารมณ์มืนั้นเป็นของคู่กัน สมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยเป็นสมาธิที่น้อมจิตให้ไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นเป็นการทำสมถากรรมฐานไม่ใช่สมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานทำสมถะนะทำไปกี่สิบปีกี่ร0อยปีกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่กับมันก็ได้แค่สงบเท่านั้นสงบได้แล้วไม่นานมันก็กลับมาฟุ้งซ่านได้อีกเพราะมันไม่ได้ล้างกิเลสมันแค่คมกิเลสชั่วคราว งนพวกเราถ้าจะฝึกสมาธิต้องระมัดระวังนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารม์มโนปนิชฌานคำว่าอารมมะเป็นภาษาบาลีคนไทยมาตัดแม่หาอากาศออกคนไทยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเช่นรูปที่เรามองเห็นเป็นอารมณ์ทางตาเสียงที่เราได้ยินเป็นอารมณ์ทางหูเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจ ถ้าจิตเราไหลไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเราจะได้ความสงบเฉยๆแต่จะไม่เกิดปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแม้หลวงพ่อเมื่อกี้พูดแล้วนะว่ามันมีจิตกับอารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นของที่จิตไปรู้สมาธิส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่อารมณ์ ไม่ได้อยู่ที่จิตแต่มันจะอยู่ที่อารมณ์เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องอยู่กับมืออยู่กับเท้านะมันไม่มีสมาธิที่จิตอยู่ที่ จ, จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยมีชื่อเพราะเพราะนะชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่จิตอยู่กับตัวเองจิตไม่เคลื่อนไป สมาธิอย่างนี้แหละเป็นสมาธิที่สําคัญที่สุดเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลเป็นสมาธิชั้นสูงนะแต่คนไม่รู้จักหรอกถ้ารู้จักกันทั่วๆไปพระอราหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักกันมันทําแต่สมาธิสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวทรงจิตให้เคลื่อนเป็ น, นิ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียว ร้อยละเกือบร้อยนะนี่พูดอย่างเกรงใจนะสมัยเมื่อสักสิบปีก่อนหรือยี่สิปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนสอนโยมตั้งแต่บวชใหม่ๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมันมีแต่อย่างมากก็ทำความสงบให้จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยนี่นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ที่จิตเนี่ยโอ้โหยากหายากที่สุดเลยต้องฝึกนะ ธรรมดาสมาธิที่คนทั้งหลายเขาฝึกเนี่ยจิตจะไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์แล้วก็นิ่งอยู่กับอารมณ์ไปหลบออกไปอยู่ข้างนอกนี่จิตอยู่นี่อารมณ์มันอยู่นี่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ไหลไปนะเคลื่อนไปหมดเลยสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนเท่านั้นเอาเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่เดินปัญญาเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตไม่ส่งออกนอกนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองวิธีที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองอาศัยสตินี่แหละ แต่ไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาเป็นสติที่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์อย่างเวลาพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเทศในขณะเนี้ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นอารมณ์ของพวกเรานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้บางทีก็ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเสียงที่หลวงพ่อพูดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ทางหูนะ พอตาดูหูฟังแล้วไปเดี๋ยวเดียวใจก็ไปคิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์ทางใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะจิตมันมาดูหลวงพ่อก็รู้ทันจิตมาฟังหลวงพ่อก็รู้ทันจิตวิ่งไปคิดก็รู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนะี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติ งั้นบางทีครูบาอาจารย์บางท่านนะท่านสอนดีเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเคยเจอท่านแต่ไม่ได้เรียนกับท่านนะตอนนั้นเรียนจากหลวงฟูดูลเข้าใจละวไปเจอหลวงพ่อเทียนเขเข้าใจหลวงพ่อเทียนไม่ได้ไปเรียนกับท่านนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติตามจิตของเราชอบไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ที่ไหลบ่อยที่สุดนะคือไหลาทางใจคือไหลไปคิดตื่นนอนก็คิดใช่ไหม หลับไปฝันต่อนะนั่นก็คิดนั่นแหละจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติหลวงพ่อเทียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทา ง, งการปฏิบัติคือได้จิตรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานั่นเองตรงนี้เป็นของสําคัญที่สุดเลยเป็นของที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มากผลนิพพานหรือไม่ ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูชาตินี้เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกเพราะเรายังไม่ได้ทำวิปัสสนานต้องทำวิปัสสนานะมรรคผลถึงจะเกิดได้งั้นเราต้องคอยฝึกนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปก็ได้แต่ไม่ใช่พุโทโธให้จิตไปอยู่กับพุโทโธไม่ได้หายใจให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจเราพุโทโธเราหายใจแล้วเราคอยรู้ทันจิต เช่นจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีวิคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปดูบ้างเคลื่อนไปฟังบ้างนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากนะสมาธิชนิดนี้คือมันมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเราก็มาเจริญปัญญาต่อมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจนะดูไปเรื่อยจะเราเห็นความจริงของมัน ในข้อที่3ความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นั่นมีสติคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจถ้าเราใจลอยลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะถ้าเราใจลอยเราก็ลืมรู้กายรู้ใจไม่ได้เรามีสติก็คือเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถ้าการรู้สึกนั้นเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะ ปัญญาคือการเห็นความจริงจะเกิดขึ้นปัญญานั้นเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นนะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนละเป็นกลางเป็นกลางหมายถึงว่ามันสุขก็สักว่ารู้มันทุกข์ก็สักว่ารู้มันดีก็สักว่ารู้มันชั่วก็สักว่ารู้ไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะไม่ใช่มียินดียินร้ายแต่รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นนี่แหละราเรียก ว, ว่าเป็นกลาง ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้สติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นความจริงของกายถ้าสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นความจริงของความสุขความทุกข์นะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นความจริงของกิเลสความจริงคืออะไรความจริงคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา งั้นถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชื่อว่าทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างเราเปรียบพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเมลาสุภะนี่ไม่ใช่วิปัสสนานี่เป็นสมถะกรรมฐานนะยังไงก็เป็นสมถะวิปัสสนานั้นต้องเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาใครๆก็ได้ยินแต่ว่าจริงๆเป็นยังไงกว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจริงได้ยากนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูได้จริงๆ ถ้าจิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นผู้เพ่งอารมณ์ให้นิ่งๆไม่เห็นไตรลักหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจจิตเราเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูฟุตบอลเราอยู่บนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามนักฟุตบอลวิ่งไปทางไหนเรารู้หมดเลยแต่เราตั้งมั่นเราไม่โดดลงไปในสนามเหมือนเราดูมวยนะเราดูอยู่ข้างเวทีไม่โดดเข้าไปในเวทีเดี๋ยวโดนลูกหลงเราเป็นแค่คนดูคนดูมวยเนี่ยจะชคเก่งกว่านักมวยรู้สึกไหม ใครเคยดูทีวีถ่ายทอดมวยบ้างเห็นไหมไอคนดูมวยเนี่ยนะโชคเก่งกว่านักมวยทุกไ ล, ลย์เลยรู้หมดเลยโชคอย่างนี้เราก็จะชนะนะแต่ให้ไปโชคเองตายเลยเพราะอะไรทําไมดูได้ดีเพราะเป็นคนมงนอกเวลาต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนมงนอกในการดูกายของตัวเองฝึกจิตให้เป็นคนมงนอกในการดูใจของตัวเองนะก็ฝึกตัวนี้ให้มากๆใจเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อา น, นิจจังหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นก็ดับได้ไม่คงทนถาวรไปหรอกมันจะเห็นว่าของซึ่งไม่เคยมีนะก็เกิดมีขึ้นมาของที่มีอยู่แล้วก็หายไปนี่เรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังเป็นยังไงของที่กำลังมีอยู่นี่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวนี่เรียกว่าทุกขงังอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะ่ะถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ นี่คือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นอนิจจังของกายของใจก็คือเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีแล้วก็ไม่มีเช่นมีร่างกายที่หายใจเข้าแล้วก็หายไปเกิดร่างกายหายใจออกมีร่างกายที่นั่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนอะไรนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีของที่มันมีแล้วมันก็หายไปนี่เรื่องอนิจจังในจิตใจเราก็แสดงอนิจจังเยอะแยะเลย ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปกุศลเกิดขึ้นแล้วก็หายไปโรคปรดหลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดได้ก็ดับได้นี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็คือเห็นว่าไอ้ตัวที่มันมีอยู่ตัวที่ยังไม่ทันดับนี่แหละมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกก็ถูกบีบคั้นนะให้มีความทุกข์มากไม่สามารถหายใจออกตลอดการได้เพราะมันทุกข์ต้องเปลี่ยนมาหายใจเข้า ร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นไม่สามารถหายใจเข้าตลอดไปได้ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆมันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนการหายใจต้องทำโน้นต้องทำนี้ไปเรื่อยๆจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลาความสุขอยู่ได้ไม่นานนะความสุขก็ถูกบีบคั้นนะ จิตใจของเราถูกอะไรบีบคั้นมากเลยไหมถูกความอยากคือถูกกิเลสตัณหาเนี่ยบีบคั้นตลอดสั่งเราตลอดเวลาให้ทําโน้นให้ทํานี่นะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยแล้วอนัตตาของจิตใจเป็นไงเราบังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามจิตใจว่าอย่าทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่เราสั่งจิตใจว่าจงดีอย่างเดียวเราสั่งไม่ได้ เราห้ามจิตใจว่าอย่าชั่วเราห้ามไม่ได้ตรงที่เราห้ามไม่ได้เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเรามาคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะเห็นแต่อนนี้จังทุกคังอนัตตาเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้มากๆเข้าเราจะเบื่อเราจะรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยคิดแล้ว ร่างกายนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงมีแต่ความบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหานานาชนิดมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจเลยในกายในใจนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะเราจะได้ธรรมะเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นเราจะรู้เลยว่าทั้งหมดนี้ทั้งกายทั้งใจเนี้ ไม่อยู่ในอำนาจเราหรอกไม่ใช่ตัวใช่ตนที่แท้จริงนะถ้าเห็นอย่างนี้นะหรือเราเห็นว่าทุกอย่างในกายเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างในจิตเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละธรรมะของพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นว่ายังกินจิตสมุทยัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านเห็นแค่นอง นะ ถ, ถ้าเราจเจริญปัญญาต่อมาดูกายดูใจต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนะสุดท้ายปัญญาก็แก่รอบจะเห็นวนะ่าจิตนี้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าปัญญาถึงขั้นนี้มันก็คืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจให้โลกเมื่อเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเนี่ยสิ่งอื่นมันก็ไม่ยึดถือไปด้วยเพราะของที่เราหวงแหนที่สุดก็คือกายกับใจของเรานี่เอง เมื่อเราไม่ยึดเสแล้วนะก็ไม่มีอะไรให้ยึดในโลกอีกแล้วจิตก็เป็นอิสระนะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจนตรงนี้เองพระเจ้าถึงสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยการทําทานด้วยอะไรงสินส้นมีศีลมีสมาธิมีสติมีสมาธิอะไรขึ้นมาน ะ, จะเจริญปัญญาเลยมันเป็นบาดเป็นฐานต่อเนื่องกันมาเพื่อให้เรามาฝึกจเจริญปัญญาคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มาก สรุปนะการจะทำวิปัสสนากรรมฐานหลักง่ายๆให้มีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแซงให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่นานก็จะเห็นวนะ่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เห็นเป็นลาดับลาดับไปไปฝึกสักเดือนสองเดือนนะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วละ่ะถ้าทาจริงๆนะถ้าไม่ทา กี่ปีมก็ไม่เปลี่ยนหรือทำแต่สมาธินะสงบอย่างเดียวเดี๋ยวก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านกี่ปีกี่ชาก็อยู่แค่นั้นนะงั้นต้องมาพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นเจริญปัญญาให้ได้นะดูกายดูใจเ็าทำงานให้ได้เอาไว้ในสี่สิบห้านาทีพอดนะีใครใจลอยบ้างยกมือสิมีสองพวกพวกที่หนึ่งใจลอยพวกที่สองพวกใจลอยแล้วไม่ยอมรับ <c oughs> ใจลอยใจหนีวิคิดหนีไปแล้วเราไม่รู้ทันนะใจลอยไปเอาว่ามานวั่อการู่ที่่งหลวงพ่อเมื่อสักครู่ที่นั่งฟังหลวงพ่อเจค่ะอาการที่นใจมันมีแรกดันขึ้นมาตรงนั้นมันเป็นปัญหาใช่ปัหาใช่เพราะเห็นเกิดบ่อยเจ้าค่ะแปัญหัญหามันดันขึ้นกลางหน้าอกเจค่ะอาจารย์มหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เรียกว่าทำแท้บ่ะอากุศลนั่นก็ทำแท้นะ คำว่าทำแท้คือปรมัตธรรมอกุศลก็เป็นทำแท้กุศลก็ผุดขึ้นกลางอกสุขทุกข์ดีชั่วความสุขความทุกข์ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นมิบากก็ผุดขึ้นมากลางองกอีกความสุขทุกข์ในใจใช่ไหมมากผลก็เกิดขึ้นกลางอกอาการเดียววันแบบนี้เหรอเจ้าคะอืมอันนี้เป็นเป็นแรงของสมาธิด้วยป้ะเจ้าหลวงพ่อแรงของตัณหาแรงของตัณหาสมาธิความตั้งมั่นของจิต จิตมีสมาธิจิตจะไม่เข้าไปก้าวไก่มาหรอกรรอก็เห็นธาตุเห็นขันมันทํางานของหนูสมาธิตอนนี้ไม่พอนะเจ้าค่ะดูออกเปล่าดูออกเจ้าค่ะเออจิตกระจายกระจายไหมกระจายเจ้าจิตกระจายออกไปก็ต้องรู้ทันน ะ, ะสมาธิไม่พอหลวงพ่อเจ้าัะเวลาสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันแรงมันน้อยใช่ค่ะแรงมันน้อยใช่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันถ้าแรงถ้าคือเบื่อหรือว่า ทุกเนี่ยก็คือทุกหนักทุกมากใช่ใชมันครอบองําจิต ใ, ให้ถ้าเราภาวนาน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเบื่อนะแต่ถ้าสมาธิเราพอจิตเราตั้งมั่นจริงไม่ครอบงําจิตนี่จะสักว่าเบื่อคนะจิตจะเป็นกลางกับความเบื่อได้ด้วยนะอาการเบื่อนี่มันคือ ม, มันวนไปวนมาใช่หะหลวงพ่อตั้งแต่ภาวนามา ม, มันไม่เที่ยงนิพพิทายานก็ยังเป็นโลกีย า, ยานใช่ไหมเพราะฉนั้นเกิดได้ดับได้นะเจ้าค่ะ ก็ภาวนาล่ำไปให้จิตตั้งมั่นจริงๆจิตมีกําลังนะจิตเป็นคนดูเห็นท่านเห็นขันทํางานเรืไปถ้าจิตกระจายไม่เห็นจริงหรอกอริยมรรคจะไม่เกิดจิตกระจายกับจิตอยู่นอกฐานนี้อันเดียวใช่ไหมเจ้าวงพ่เพราะหนูเป็นมาสี่ห้าเดือนแล้วเจ้าหลวงพ่อตั้งแต่คราวที่แล้วต้องช่วยมันไหน่อจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้พุทโธพุทโธจิตกระจายอยู่ก็รู้ทันให้รู้ทันจิตที่กระจาย แต่ถ้ารู้ทันแล้วยังไม่ยอมเข้ามายังกระจายไม่เลิกก็ช่วยมันนิดหนึ่งเอาความรู้สึกตัวจับไปที่ลมหายใจนะแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาในร่างกายแต่วิธีนี้ไม่ให้ใช้มาก ใ, ให้ใช้มากจะแน่นแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเออให้ใช้สักครั้งสองครั้งพอละมากไปละมากไปจะแน่นนะเจ้าค่ะภาวนากับหลวงพ่อมาเกือบสี่ปีเจ้าค่ะก็เห็นใจที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับลำดับเจ้าค่ะหนูทําได้ดีแล้วละ่ะ แล้วก็สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนะี่ยบางคนบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วพอน้ำไม่เป็นเลยไม่ได้เรื่องใจมีหิริโอตปามากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่ยที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสใจเราจะได้หิริโอตปาแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดแล้วก็ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะได้สมาธิอัตโนมัตินะแต่ถ้ามันไม่ยอมอัตโนมัตินะก็ช่วยมันหายใจเข้ามา ในจกลับเข้ามาถ้าเราเห็นจิตเราตั้งมั่นแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันทํางานสติสักว่าระลึกอยู่นะจิตสักว่ารู้อยู่ปัญญาก็เกิดมันเห็นมันทํางานได้เองไหมมันทํางานของมันเองมันไม่มีตัวเราตรงไหนนะนั่นแหละตัวปัญญาค่ะคือจะสุขหรือจะทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงจิตเจ้าค่ะหลวงพ่อมันไม่ถึงคือต่อไปเนี่ยนะเวทนาเนี่ยจะเสวยเฉพาะเวทนาทางกาย แต่เวทนาทางจิตจะไม่มีการเสวย อ, อีกต่อไปแต่เวทนาทางจิตจะเหลือสองชนิดนะคือสมนัตมีความสุขกับอุเบกขาความทุกข์ทางจิตจะไม่มีแต่จิตก็ไม่เข้าไปเสวยความสุขนีน่เป็นอิสระที่แท้จริงพระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าพระระหันเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วทั่วไปคนทั่วๆไปเมื่อเสวยเวทนาทางกายแล้วก็เสวยเวทนาทางใจด้วย พระอรหันต์เนี่ยมีแต่เวทนาทางกายไม่เสวยเวทนาทางใจรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปเเจโลกมันห่างเหมือนถ้าอยู่สัก์ว่าโลกนะไม่เกี่ยวอะไรกับเรา ค, คือตอนนี้ใจมีฉันทาในการภาวนามากเจ้าค่ะคืออะไรที่ไม่เกือ้อกูลกับการปฏิบัติครืองโลกโลกเนี้ยเหมือนมันไร้สาราใ<ห>ะใช่หมดูตัวนี้ด้วยนะดูให้ประณีตโทสะแทรกไหมมี่นะมีโทสะแทรกอยู่ให้รู้ทันนะเเจค่ะอมันยังไม่เป็นกลาง เจ้าค่ะหลวงพ่ออยากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาสี่ปีเจ้าค่ะอยากให้ลวงพ่อทุบแรงๆเจ้าค่ะนี่ไงบอกไปแล้วกล่าวขอพระคุณเจ้าค่ะนะไปฝึกให้จิตตั้งมั่นนะแล้วก็ให้รู้ทันเราอยังไม่เป็นกลางที่แท้จริงหรอกมันเจื่อโทสะอย่างจะขอโอกาสนะคะเพิ่งผ่านความตายมาเนื่องจากว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะน้องน้องแตกอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องไปอ่านมัน ตอนนี้หนูจะต้องภาวนาแบบไหนคะอะไรนะต้องภาวนายัางไงคะับกข์ภาวนาไม่เป็นเหรอไม่ต้องเป็นหรอกถ้าใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรากังวลเราก็รู้นะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆฝึกแค่นั้นพอละใจเรามีความสุขก็รู้ทันนะใจเราเฉยๆก็รู้ทันใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันสมอง ที่จะบลับคืนสมองที่สูญเสียไปว่าว่าไงนันมันใช่สมองแล้วก็ให้ทำงานอื่นไปตอนนี้หนูก็พยายามที่จะฝึกค่ะก็หันเอาใหม่หานเอาใหม่สิค่อยๆฝึกเอาว่าหนูหนูอยากทราบว่าจะทำยังไงที่ว่า ให้ความจํานี้คืนกลับมาได้เร็วขึ้นความจําไม่เที่ยงคือความจํานะเราฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ฝึกความจําหรอกะแต่เราฝึกจนกระทั่งว่าถึงความจําเสื่อมแล้วก็ไม่ทุกนะเราฝึกเพื่อให้มันไม่ทุกแต่ถ้าความจําหายไปเราก็ต้องมาซ้อมความจําค่ะมาฝึกหัดไปหัดหัดอ่านใหม่ไม่เป็นไร อานเอาใหม่หัดค่อยๆฝึกเอาใหม่ค่ะครับนมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าเวลาตัวเองภาวนาเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตสง่งออกอแล้วก็จิตจะเร็วค่ะโมโหไหมโมโหมากเออนะนั่นแหละปัญหาใหญ่ให้รู้ทันจิตที่โมโหนะเวลาโมโหมาจิตมีความทุกข์นะให้เห็นเลยโมโหที่ไรทุกทุกทีดูไปอย่างนี้เรืเร่อยๆ แต่แปลใจจะไม่อยากโมโหโมโหแล้วทุกดูบ่อยๆแล้วก็ติดจะเร็วแบบสมมติเรื่องเขียนหนังสืออย่างเงี้ยจิตไปแล้วมือยังไม่ไปตั้เออนั่นแหละพวกโทสะจริตนะโทสะแรงเพราะโทสะเนี่ยธรรมชาติของโทสะนะรวดเร็วรุนแรงเร็วเห็นไหมเร็วหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะโอ้เวลาทํางานเนี่ยใครมาทํางานกับหลวงพ่อนะเราลาคานะช้ า, าไม่ทันใจใช่ไหม เนี่ยอุตส่าห์ยกตัวอย่างตัวเองให้ดูนะอ <c oughs> <c oughs> าจภาวนาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเรื่อยๆเราไปเห็นนีโทสะเกิดที่ไร ท, ทุกทุกทีเลยนะเรื่องอะไรจะทุกข์ใจมันก็ไม่เอามันก็ค่อยๆลดโทสะไปแล้วถ้าเกิดภาวนาไปแล้วมันพิตามแล้วเหมือนมันตะคุบตะคุบไปเรื่อยไหมคะให้รู้ <c oughs> ทันนะต่อไปสติมันจะพอพอดีขึ้นมาตอนนี้สติตามไม่ทันใจจิตใจมันว่องไวกว่าสติ เราก็มาฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่มาแกล้งทำจิตให้ช้าลงนะแกล้งทาซึมไม่ต้องแกล้งฝึกสติให้เร็วโทรศัเกิดรู้ทันโทรศเกิดรู้ทันฝึกอย่างนี้แหละต่อไปมันก็ไวใครใจลอยบ้างที่หลวงพ่อถามนะตัวนี้สำคัญนะใจลอยก็คือขาดสตินั่นแหละ ขาสติก็ตรวจแรกไม่มีใช่ไมไม่มีสติก็ลืมกายลืมใจถ้ามีสติรู้กายรู้ใจนะแต่จิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่เกิดปัญญาอีกจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเงื่อนไขสองเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดปัญญานะคือมีสติและสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่สมาธิที่สงบนะก็สมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวอนั้นเอาเดินปัญญาไม่ได้สมาธิคนละชนิดกัน ก, การนมัสการค่าหลวงพ่ออทางั้งไหนค น, ก, น ก, การนมัสการค่าหลวงพ่ออืว่ามาคือภาวนาอยู่ก็ช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าการกระทบรู้เนี่ยจะค่อนข้างชัดอย่างร้อน อ, อย่างเย็นอย่างหนักจะรู้เวลารู้เนี่ยนะจิตมันเคลื่อนไปรู้ไหมจิตไม่ค่ะมันจะตั้งมั่นเป็นตั้งตั้งอยู่เหมือนกับว่าเหมือนจะแข็งไปไหมคะหลวงพ่อเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหม คล้ายๆอย่างนี้ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเผลอไปคิดเนี่ยก็จะปุ๊บกลับมาไวอะค่ะตรงที่ตั้งเนี่ยตั้งแรงไปนะแข็งไปนะมันจงใจเยอะไปต้องปล่อยบ้างใช่ต้องปล่อยบ้างนะปล่อ ย, อยบ้างมันจะยุบยิบยุบยิบไวมากเลยจะยิ่งร้ายกว่าคนทั่วๆไปนะถ้าปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยร้ายโคตรๆเลยละ่ะร้ายแต่ต้องต้องยอมน ะ, ะถ้าไม่งั้นก็คือเราแกล้งรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไวงไงเงี้ย บังคับจิตให้นิ่งตลอดไปเนี่ยไม่ดีเลยน ะ, ะมันดีในแง่ของสมถะแต่มันเดินปัญญาไม่ได้แล้ววันใดที่ไม่มีแรงควบคุมเนี่ยกิเลส จ, จะคิดดอกเบี้ยจะร้า ย, ยิ่งกว่าคนทั่วๆไปงั้นเราค่อยๆฝึกปล่อยน ะ, ะทำใจให้ใคลายออกอย่าให้มันแข็งขนาดนี้ ใช้ลมหายใจอยู่เจ้าค่ะแล้วมันจะผ่อนหายใจต้องอย่างนี้หายใจให้มันสดชื่นใช้อนาปานสติช่วยในการผ่อนคลายบางอย่งต้องอย่างนั้นแหละถึงทำให้ดูไงเนี่ยถ้าถูกจลิตไปทำเมาณะแม่แข็งไปคนสีนนท์มาเดินเองการวาสการครับเป็นคนที่ชอบฟุ้งมากยกไม้อย่างนี้ ว่ามาฟุ้งมากค่ะฟุ้งมากแล้วทำไงอ่ะก็รู้ค่ะฟุ้งเป็นโแบบมหะนะะต้องช่วยมันหายใจไปพุโทโธไปอะไรอยงนีน้แล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันก็จะค่อยๆหายฟุง้งจิตจะค่อยสงบตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเนี้ยจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อไหมเนี่ยจิตไปอยู่ที่หลวงพ่อแล้วห <laughs> ให้เรารู้ทันคนะ งั้พูดโทรไปหายใจไปก็ได้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตหนีไปแล้วรู้อเนี้ยพอรู้ทันบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ั้นฟุ้งไปฟุงฟ้งมากแต่ตอนนั่งสมาธิก็จะฟุง้งทุกเวลาลองนั่งสิเ <laughs> วลานั่งสมาธินะถ้าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าน้อมให้สงบนะถ้าน้อมให้สงบงสมันจะซึมโมหะจะแทก เวลาถอยออกมาแล้วก็เบลอเบอหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าน้อมจิตเข้าไปให้ซึมต่อไปหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึืนเงี้เรื่อยๆนะถ้าจิตหนีไปคิดลืมร่างกายก็รู้ทันว่าเผลอไปแล้วไม่ว่าเขานะก็รู้สึกเอาใหม่คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายหายใจคอยรู้สึกไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้นะจะ ห, หายฟุ้งได้ขอบคุณค่ะ ในมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ mm hmm. คือหนูเนี่ยเป็นคนขี้เกียจ ร, รู้ตัวเองรู้ใจไหมขี้เกียจแล้วกลุ้มใจป่าวกุ้มใจค่ะเวลายอยากปฏิบัติก็จะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดบางทีแบบเมืนหลงห ล, ลงไปเลยอะหารหลงลืมปฏิบัติ mm hmm. บางทีนั่งเก็บเงินทีพุโทโธพุโทโธเราต้องนับเงินทอนด้วยใช่ไหมคะมันก็จะหลงบ้างลืมบ้างไม่ได้ต้องนับเงินให้ถูกย่ามาพุทโธแล้วจิตว่างส่งเงินให้เขาหมดไม่ได้ดล แล้วบางทีหนูเคยแบบที่ฟังจิตีหลวงพ่อในตู้มากๆยางเงี้ยบาทีก็เบอร์ก็มีค่ะไม่ได้นะเบอร์เบอรออการ์ดตัวเองกับการผู้โดยทางสลับกันตอนเติมเงินอะไรเงี้ยแบบเอออไม่ได้นะ่าอย่างนั้นจะขาดสติเลยละ่ะต้องรู้สึกตัวไว้เออจะก็พยายามนะคะแล้วก็เหมือนลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีอยู่คนนะึงไปทำํำท่าเนี้ยตอนขับรถอนะ่ะ เห็นไฟแดงนะไม่จอดเลยเพราะไม่รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นนะอ่ะโออไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งกับพ่อหนูอะค่ะหนูไม่ค่อยแบบข อ, อ, อย่าโอโหบ่อยสิหนูรู้ตัวนะว่าหนูจะพยายามจะไม่เถียงแต่แบบมันไปอะลมันไปก่อนเลยอะค่ะหนูยังไม่ทัน เถียงทุกทีเลยก็รู้ว่าบาดนะแต่ก็เถียงอะค่ะไม่จะทาไงทำไม่ได้เตรียมรับผลของกรรมหนูก็อยากจะขยันนะรู้ตัวแต่มันก็มีบ้างมีบ้างอย่าไปฝึกในโต้ก็ <c oughs> ตอนออกมาจากตู้นะ <c oughs> <อ>จะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกเอาหนูอยากจะฝึกให้ใหได้แบบอยากไวๆอยากได้พาเนนะ่โอไม่ได้พาแตนูนแต่หนูทไม่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ อะไรทำให้นิพานรื้ไหมหมดกหนูจิตตั้งมั่นอยากนิพานมากเลยอ่ะข้ามโสดาบานไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอกมันผิดหลักสูตรก็ใช่เนี่ยหนูรู้ตัวมากเลยว่าหนูขี้เกียจก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะค่ะอยากนิพานแต่ขี้เกียจหรอมันขัดแย้งเยอะนะขัดแย้งเยอะค่ะรู้ตัวเลยขัดแย้งมากความทุกข์เยอะ ตัวหนูหลงมากๆเลยค่ะทางโลกพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆลหลวงพ่อว่าหนูจะมีโอกาสจ ะ, จะมีโอกาสมีแต่โอกาสน้อยหน่อยโอกาสมีนะถ้าภาวนาแต่ว่าต้องรู้จาักกาลเทศะนะ <c oughs> เวลาถอนเงินเวลาอะไรเนี่ยต้องรู้สึกตัวแบบ<า>แต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ข้างใน<า>ไปใจลอยอยู่กับซีดีหลวงพ่อไม่ได้นะอมัน<า>ต้องพยายามรู้สึกตัวแต่ถ้าทําชํนานาญแล้วอย่างหนูันนี้ฟังซีดีหลวงพ่อก็ไม่คิดเงินผิดหรอกก็มันก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่บาดีหนูแบบสลับบททัตรเฉยแต่ก็คือ ม, มันอาจฟังเยอะเกินไปมันเลยไม่เอาอย่าไปฝึกให้เบลอมันเนะบลอได้ให้คอยรู้ทันควา ม, มรู้สึกเอาใหม่ ต่อไปนี้เวลาอยู่ในตู้นะให้ไม่ต้องไปฟังซีดีแล้วให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเอ็นไหมเอาแต่แบงค์ใหญ่ๆมาให้เราตลอดเวลาเนี่ชักโมโหแล้วโมโหร่วโมโหใช่ค่ะเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยไม่ต้องไปนั่งเปิดซีดีฟังมากๆแล้วจะไปนิพพานไม่ไปหรอกต้องดูกายดูใจของเราให้มากถึงจะไปนิพพานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะค่ะหลวพ่อคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ ใจตัวเองเออเห็นคนเอาแบงค์ใหญ่ๆมาก็โมโหรั่ว โ, โมโหเยอะมาก เ, เลยค่ะบางทีห้าใบติดเลยโหหนูก็โมโหเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกการทางเขาก็แบ่งให้เราเยอะ <c oughs> <c oughs> ได้ข่าวว่ารวยนะคนการทาง <c oughs> <c oughs> ว่าไงไม่เจอนาน <c oughs> ไม่ที่ส่งกไปบ้านนานด้วยค่ะหลวงพ่อคะต้องถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เป็นยังไงบอกหลวงพ่อสัหน่อย คือช่วงนี้ก็ไปบางทีไปภาวนาในรูปแบบเนี่ยมันจะนมันจะเป็นการปฏิบัติมันจะเปลี่ยนไปค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพิจารณาเห็นความเกิดดับทุ ก, ท, กทุกทุกเอเรียบที่เราทำค่ะแล้วเวลาเวลาถ้าเป็นเป็นเสียงเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปที่ใจเลยค่ะเห็นความมีขึ้นแล้วไม่มีค่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ตอนเนี้พยายามที่จะใช้ทางเห็นนะคะทางตาค่ะ อันนี้มันไม่ได้ฮะ่ะตาเห็นมันก็เข้ามาที่ใจแต่แต่มันไม่มันไม่รู้สึกไม่เท่ากับที่เราได้ยินเสียงนะคะถนัดได้ยินก็ได้ยินเอาถ้าอยู่อย่างนี้เราเราภาวนาอย่างนี้แต่เราจงใจนะอย่างตรงที่ตามองเห็นเนะี่ยถ้าเราจงใจจะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจมันก็นิ่งๆไปถ้าถ้าไม่จงใจอะ่ะเดี๋ยวมันก็รู้สึกขึ้นมาแ ล, แล้วเวลาภาวนาเนี่ยถ้าพอไปทําในรูปแบบฮะพอวันที่สามอะ่ะ วันที่สองที่สามเนี่ยคือมันจะกลับไปที่เดิมค่ะพอหลังจากนั้นมันมันก็จะมีพลังมากขึ้นค่ะอิริยธรรมอริยาบทมันคล้ายๆมันจะเสมอกันค่ะแล้วก็มันจะแบบมีพลังมีพลังแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าจะไม่รู้สึกม่วงจะอยู่ได้ตลอดนะะไ ด, ได้สมาธินะได้เป็นเป็นอยากจะถามว่าสมาธิอันนี้มันเป็นสมาธิที่จะเกิดจากเราจเจริญสติวะะ่า สมาธิอย่างนี้ไม่เดินปัญญาแร้วมันก็จะค้างสว่างอยู่เฉยๆอย่างนั้นเองแสดงว่าที่มันมีพลังนี้เป็นสมาธิสมถะเป็นอารามณูปนิชานงั้นตรงที่เรากําหนดกําหนดกําหนดไปได้สมถะแต่ถ้าจะทำลัคนูปนิชานนะ<ม>เห็นร่างกายมันเดินเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปที่กายรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทัน แต่วนี้จะได้สมาธิที่ตั้งมัน่นแล้วอย่างที่โอมเห็นแบบการเปลี่ยนไปในขณะเดินเนี่ยเราเห็นว่ารูปหนึ่งเกิดรูปหนึ่งเราเห็นเราเห็นจริงนะแต่สังเกตไหมจิตของเราไม่ได้ตั้งมัน่นสักว่ารู้ว่าดูหรอกจิตมันถล่มไปอยู่ที่รูปนั้นด้วยอะนะจิตไม่ตั้งมัน่นแล้วเราจะถอยไหมยังไงนี่ไงต้องฝึกลักขณู ป, ปนิชานในการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมัน่น ไม่งั้นเนี่ยนะมันจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไตรลักษ์หมดเลยยกเว้นจิต ด, ดวงเดียวที่เที่ยงอ๋อเป็นเป็นตรงนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์รู้สึกไหมตัวนี้เที่ยงมันเนี่ยมีความรู้สึกมันจะเหมือนกับมันเที่ยงแหละนั่นแหละเป็นวิชฉาทิฏฐินะแล้วแมันเอาไปมันตั ว, ต, วตัวอื่นไม่เที่ยงยกเว้นจิตงั้นเรา<ก>ต้องนี่ไ ง, ไงต้องฝึกให้ได้รักนิโรภนิชานถ้าจิตเคลื่อนไปรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึ ก, ไ, สกไม่ห้ามนะ ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยต่อไปจิต จ, จะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูแล้วมันจะเห็นวนะ่ตัวผู้รู้เองเกิดดับได้เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เกิดดับอ๋อมันเคยเป็นอย่างไงนนะอะถ้าตัวผู้รู้เกิดดับได้เนี่ยถึงจะใช้ได้นะกลับไปตรงนั้นนะคะใช่ถ้าตัวผู้รู้เที่ยงเนี่ยทําผิดละมันแเคยอ่านนะอนัตตลักษณะสูตรไหม ใช่ไหมพุทเจ้าถามปัญจวัคคีย no ์ไหมท่านไล่หมดใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงครูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านไม่ใช่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงจิตเที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาจิตเป็นอตตาไม่ได้สงวนรักษาตัวรู้ไว้แสดงว่าไปอยู่กับตัวรู้มากเกินไปที่ทำเนี่ยคือการเพ่ง กําหนดไปเรื่อยตัวรู้ก็เที่ยงขึ้นมา<ช>ดีที่ถามนะตัวนี้ถ้าพลาดเราเสียเวลานานก็ยังสงสัยทําไมมันไปอยู่มันเหมือนจะเป็นอัตตาไปแล้วใช่เป็นอัตตามันรู้สึกเหมือนกันน ะ, ะ<ช>ว่าตัวเองผิด พ, พอพวกภาวนาผิดเนี่รู้สึกจิตเป็นอัตาตาทั้งๆที่พระเจ้าสอนว่าอนัตตาท่านบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราเห็นจิตเที่ยงเห็นจิตเป็นอัตตา อย่างนี้เราไม่ต้องทำรูปแบบเราทำผิดนะออกแพลเปลี่ยนไปเราไปเพ่งเรา <c oughs> เราทำในรูปแบบแล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้ทัน <c oughs> เราไม่รักษาตัวรู้นะเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวคิดบ้าง <c oughs> ถ้ารักษาแล้วก็จะเที่ยงแต่มันมีการ น, นะคะเวลาเราทำอะไรเนะี่ยรู้สึก มันวิเวกขึ้นนะจิตมันวิเวกขึ้นอ๋อแน่นอนมันไม่ยุ่งกับใครในโลกแล้วมันจะอยู่ของมันคนเดียวอันนั้นเรียกว่าจิตวิเวกแต่ไม่ไปอุปัีวิเวกไม่สงบกิเลสจริงนะได้สมาธิอย่างเดียวขอบพระคุณค่ะนรรัตการหลวงพ่อครับ เ, เรื่องที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทุกคนทำได้ไหมครับ ทุกคนเลยครับคงบางคนเน่ะนะมันคงทุกคนไม่ได้หรอกบางคนมันไม่ทําหรอกขนาดพระพุทธเจ้ายัางสอนทุกคนไม่ได้เลยหลวงพ่อเป็นใครไปสอนได้ทุกคนถ้าถ้าพยายามบ้างเนี่ยพอจะได้ไหมครับคือถ้าตั้งอกตั้งใจนะค่อยๆศึกษาค่อยๆฝึกนะมันก็ไปได้ทําได้มันไม่ยากเกินไป แต่มันต้องต้องตั้งใจค่อยๆฝึกไปอย่าใจร้อนด้วยนะไม่ขี้เกียจ ด, ด้วยแล้วไม่ใจร้อนนี่มันยากตรงนี้แหละคือของเราถ้าใจร้อนก็ลุยแหลกพอขี้เกียจก็เลิกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่อยๆทําค่อยๆฝึกไม่ยากเกินไปหลวงปู่ดุลยเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราค่อยๆฝึกไปนะยังไงมันก็ไปจนได้แหละจิตนั้นน่ะมีธรรมชาติที่ฝึกได้เนี่ย ในทางหลักอริธรรมสอนไว้อย่างนี้นะจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกจิตให้เลวไหลฝึกจิตให้หลงเพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดออกข้างนอกไปเรื่อยเราไม่คเคยฝึกให้จิตอยู่กันเนกับตัวต้องค่อย ค, อยคอยฝึกจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินไม่เคยชินฝ่ายต่ําตลอดนะ่ะก็ต้องค่อย ค, อยคอยฝึกเอาคุณครับถ้าจะรู้ไหมครับว่าเราเราเลื่อนไปแล้วเลื่อนขั้นขึ้นไปครับรู้สิ มิดูยชนต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ประเภท ป, ปีปีหนึ่งนะบอกตรงๆหลวงพ่อฆ่าพระอริยะไปนับไม่ถ้วนเลยบรรลุมาบรรลุมานะมาคุยกับเราสองสามคำนะหงอยกลับไปแล้วเห็นแต่กิเลสอ่ะอย่าใจร้อนนะแต่ถ้าได้ก็รู้นะแต่คนที่รู้เนี่รู้ถูกหรือรู้ผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเวลาจะทดสอบตัวเอง ว่าใจเราได้ธรรมะถึงระดับนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยนะอันแรกเลยต้องสังเกตใจใจต้องไม่ไปติดล็อกอยู่ในพบใดพบหนึ่งเช่นจิตไปติดความนิ่งความว่างอยู่แล้วบอกว่าไม่มีกิเลสอันนี้วัดไม่ได้ต้องจิตใจเป็นปกติจิตใจธรรมดาอย่างเนี้นะแล้วดูว่ากิเลสจะมีไม่มีกิเลสอะไรที่ละได้เด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่ต้องรู้ได้ ถ้าละกิเลสหมดจดแล้วเนี่ยหมดจดเพราะปัญญาอันยิ่งหรือเปล่าหรือหมดจดหายไปเลยเนี่ยพราะไปเพ่งติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งของพลมหรือเปล่านะค่อยๆสังเกตเอาเวลาเกิดมากเกิดผลนะถัดจากมรรคจิตพลรจิตเนี่ยถัดจากมรรคญานพลรญาณพอจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยมันจะเกิดญาณตัวหนึง่งเรียกปัจเจเบขณะญาณ ปัจเจกคณาญาณจะเป็นตัวที่ทวนเข้าไปดูว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่เพราะงั้นการที่วัดว่าได้ขั้นไหนขั้นไหนเนี่ยวัดด้วยกิเลสนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดจริงๆเนี่ยเราต้องไม่ไปแทรกแซงจนกิเลสเกิดไม่ได้ต้องปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วกิเลสจะเกิดหรือไม่เกิดมาดูนะอย่างถ้าเป็นผ้านาคานะเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าจิตก็ไม่กรเพื่อมนะ แต่ถ้านั่งเพ่งอยู่เอาผู้หญิงมาแก้ผ้าจิตเฉย ๆ, ๆล้วบอกเป็นพระนาาักขาไม่เป็นหรอกนะเข้าไปบังคับจิตไว้ไม่ได้คิดมากไปรู้สึกตัวนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปคิดเดยอะไปค่ะนมัสกษาค่ะหลวงพ่อคือว่าอย่างถ้าอย่างหนูเพิ่งเริ่มต้นก็คื อ, อยังไม่รู้เริ่มต้นยังไงดีแล้วควรจะฝึกยังไงคะ ง, ง่ายงน ะ, ะคอยรู้ทันใจของตัวเองไป รู้จักความสุขไหม <Okay. S 1> รู้จักทุกไหม <Okay. S 1> ต่อไปนี้คอยรู้ทันใจใจของเรานะไม่สุขก็ทุกไม่สุขไม่ทุ ก, ก็เฉยเฉยงั้นคอยดูทันใจของตัวเองเรื่อยนะใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยเฉยก็รู้ฝึกแค่นี้ก่อน อย่างถ้าเรามีทุกข์รู้สึกบางทีก็เหมือนไม่มีอะไรแต่บางทีมันเหมือนมีทุกข์โผล่ขึ้นมาเงี้ยเราจะทานะมีทุกข์โผล่ขึ้นมาเอ ง, งเราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีทุกข์นะเราจะฝึกให้เห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาอย่าจิตที่แรกก็เฉยเฉยแล้วอยู่ๆความทุกข์ก็ผุดขึ้นได้เองเราไม่ได้เชิญเนี่ยเป็นอนตัตตานะเขากําลังแสดงอนัตตายอยู่แสดงความไม่เที่ยงจิตที่สงบสบายดีๆอยู่หายไปแล้วกลายเป็นจิตที่มีความทุกข์ขึ้นมาแทนเนี่ยแสดงความไม่เที่ยง นะแล้วมันทําได้เองเราไม่ได้เชิญให้ทุกข์หรือมันทุกข์เองนี่แสดงอนัตตาเราต้องการภาวนาเพื่อให้เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ได้ภาวนาว่าอย่างอื่นนะอย่างนี้เราก็คือเหมือนเวลาที่เราปกติงนี้เราก็ท่องพุทโธพุทโธในใจได้พุทโธ ไ, ไปนะแต่ไม่พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งเราจะพุทโธเพื่อรู้ทันจิตแท้จริงคําว่าพุทโธเนี่ยคนท่องท่ อ, ทอพุทโธเนี่ยถ้าเข้าใจคําว่าพุทโธมีไม่มากหรอกพุทโธคืออะไร พุทโธคือจิตพระอะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกจิตนั่นแหละงั้นที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธนะบริกรมรมแล้วบังคับจิตให้นิ่งเรื่องไม่รู้จักพุทโธจริงถ้าพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตสงบจิตสุกจิตทุกขจิต ด, ดีจิตชั่วคอยรู้ทันไปเรื่อยเรียกว่าพุทโธเป็นนะอย่างนั้นพุทโธอย่างนั้นถึงจะเกิดปัญญา แล้วอย่างถ้าอย่างเรามีเวลานี้เราควรจะฝึกสมาธิของเรายัางไงคะกนะ็พุโทพโธไปนะพุทโธพุทโธไปนะจิตเป็นสุขก็รู้พุโทโธไปจิตวุ่นวายฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องดีต้องสุขต้องสงบเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งเป้าให้ถูกนะถ้าตั้งเป้าผิดแล้วการภาวนาตะเลยเปิดเปิเปงไปไกลเลยจะกลายเป็นสมถะไปหมด า ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามว่าจิตกับใจเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าจ้าตัวเดียวกันแหละจิตกับใจใช่ไหมกับวิญญาณอีกตัวตัวเดียวกันนะแต่ใช้หลายศัพท์ใช้กละตี้ก็ใช้กลาคัมนมสัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีอะค่ะกลัวลาค่ะเวลาแบบญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยแบบเขาเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ รู้นะคะเพราะหนูก็อ่านหนังสือท่านอาจารย์บ้างเหมือนกันข้อที่บายก็มีหลายเลื่องแล้วนี่หนูจะพยายามบังคับจิตไม่ให้กลัวบังคับไม่ได้ไเราบังคับจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตจะกลัวห้ามมันไม่ได้ถ้าจิตกลัวให้รู้ว่ากลัวญาติที่ตายนี่หนูเกลียดมากเือไม่เกลียดค่ะเพรากลับรักหนูด้วยซ้ําเหอแล้วทําไมกลัวเขามาหาล่ะใช่ค่ะกลัวมาหาเพราะเคยมานอนบ้านหนูเกลียดเขาหรือกลัวกลัวเขามาหา หนูแค่กลัวเขามาหาอย่างเดียว <He. S 2> แล้วการเวลาที่หนูไปแบบว่าไปเคารพศพอ่ะคะ่ะ mm hmm. ขอเขามาอะไรเขาแล้วเราบอกเขาว่าไม่อย่ามาหาเราอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไปตกหลกรรมลําบากนะแล้วญาติญาตมาบอกหนูว่าอย่ามาหานะหนูจะรู้สึกยังไงต้องแก้แคนอย่างเงี้ย <c oughs> หนูก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันล่ะคะ่ะหนูก็จะพยายามอยู่อะคะ่ะผ <c oughs> ีเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนเห็น คนไหนภาวนามาแล้วก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าคนที่มันจะเห็นนะภาวนาพุทโธสองสามคำก็เห็นแล้วหนูเคยเห็นผีหรือยังยังค่ะแล้วก็ไม่อยากเพราะว่าเวลาหนูนอนเนี่ยหนูนอนไม่หลับบางครั้งปวดหัวมากเลยค่ะหนูตื่นกลางดึกเนี้ยหนูก็พุทโธพุทโธเท่าไหร่ก็ไม่ยอมนอนนะค่อก็จะกลัวอยู่สักเกือบอาทิตย์แล้วค่ะบางครั้งบางครั้งจะไม่อยากไปบ้านคนนั้นเลยอ เดี๋ยวเขาคิดถึงเขามาเยี่ยมนะอบางคนน่าตลกนะไปหาพระมาห้อยพระเนี่ยหนูห้อยอยู่ค่ะพอะบางองค์นะมีผีอยู่ข้างในด้วยเขาเอากระดูกผีมาทําก็มีนะาอหนูมาห้อยอยู่เหมือนกันนะคะผีไม่กลัวพระหรอกทำไมเขาต้องกลัวล่ะอย่างพวกเราไปเจอพระเราไม่กลัวอะไรล่ะคะไม่กลัวหรอก ทำไมเขาจะต้องกลัวเขากลัวญาติไม่รักโ oh. นพยายามเจริญเมตตาไว้นะความกลัวเป็นโทสะถ้าเมื่อไร่ใจเราเกิดเมตตาจะหายกลัวเมตตากับโทสะเนี่ยเป็นของกลับข้างกันความกลัวความเกลียดอะไรนี้โทสะทั้งสิ้นเลยถ้าเราเจริญเมตตาล้วก็มีความรู้สึกว่าเออญาติกัน ไปตกระกรัมลาบากอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะอยากให้เขามีความสุขเลยนะคิดสงสารเขาอะถ้าสงสารเขาเมื่อไหร่จะเลิกกลัวเลยค่ะ<ฆ>ไปเปลี่ยนความกลัวเป็นความสงสารซะค่ะหรือก็สงสารนะคะแต่ว่านะออนึกถึงโ อ, โ อ, โอ้โหเขาก็เคยอยู่นะ<ฆ>เ อ, อเดี๋ยวนี้พลัดพรากจากคนที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักญาติมิตรลูกหลานก็ไล่อะไรเงี้ยน่าสงสารเนี่ยนึกอย่างนี้เรื่อยๆนะ พอใจเกิดเมตตานะจะเลิกกลัวอัตโนมัติเลย<า>เพราะความกลัวนี่เป็นโทสะถ้าเมตตาเกิดเมื่อไหร่โทสะดับทันทีเลย<ห>พ<ร>ยายามไป ค, คิดนะ<า>คิดว่าเขาหน้าสงสารานะไปไหนคนก็ลังเกียจอะไรเงี้ยขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนกลัวผีนะกลัวมากๆเลยเลยมาหัดภาวนานะหัดท่องสวดมนต์สวดอะไรนะคิดว่าจะกันผี ไม่กันหรอกการนมัสการหลวงพ่อครับเวลาภาวนาแล้วเกิดความเจ็บปวดมากๆนี่รู้สึกเบื่อครับทำไงครับเจ็บปวดทางกายหรือทางใจทางกายครับทางกายเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราทำกรรมฐานอะไรถ้าเราดูกายเราดูจิตนะเราเปลี่ยนอิเลยยบทไปเลยถ้าเราดูเวทนาเราก็ทนเอา ดูเวทนาครับเออดูเวทน า, า, นาช่วยไม่ได้า ต, าต้องดูเอาเองอยากเลือกกรรมฐานอย่างนั้นดูเวทนาดูเป็นไหมถ้าดูเป็นเรา จ, จะต้องดูให้เห็นอย่างนี้นะว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าดูอย่างนี้ได้ก็อยู่ได้ถ้าลม่ครับแบบมันโยก ค, คอมันมันสั่นเออนะก็ช่วยไม่ได้ใช้กรรมฐานเวทนา เวทนาต้องดูไปจนเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เรานะเวทนาบังคับไม่ได้นะแต่ถ้าทํากรรมฐานอันอื่นนะดูกายอย่างเงี้ย น, นั่งแล้วลมมันตีขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นเดินเราก็เห็นว่าเมื่อกี้ธาตุลมมันเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไม่เที่ยงอย่างนี้ได้หรือเราดูจิตมันปวดขึ้นมามากๆเราเห็นจิตทุรนทุรายเราเปลี่ยนอิริยาบถจิตสบายใจเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี้นี่เราก็เปลี่ยนได้ แต่ใช่จะสู้ด้วยเวทนาก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะ <c oughs> ไม่มีใครเขาบาังคับ <c oughs> ใครใจลอยบ้าง <c oughs> คนไหนยกก็ยกอยู่นั่นแหละคนไหนไม่ยกก็ไม่ยกเลย <c oughs> ทั้งที่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมถามจริงๆข้างหลังอ่ะรู้จักไหมใจลอยใจไม่อยู่กับตัวเองก็ขาดสตินะครับขอบคุเจ้า หมดแล้วนะคะหลงพ่อคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็เราจะถวายสังฆทานร่วมกันนะคะก็จะมีนะคะที่พวกเราได้ทําบุญกันมานะคะเราก็มีดอกไม้ดอกมะลินะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อปราโมทขอหลวงพ่อปราโม ท, โมทจงรับเพื่อประโยชน์และความสุ ข, แ, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลและนานเทินรับผ่อนนะยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัปีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิต ย, ยังุทธาปจยยโนจ ต, ตารโรธรรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพระลังคุณที่ดูเวทนานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีภาวนาดีหลวงพ่อไปก่อนนะ